ข้รทาเทศนาแผ่นที่82ลำดับที่สิโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีสแสดงธรรมในวันที่16กระกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าเมื่อครูบาอาจารย์เราเข้าสู่วัยชรา มีนาคทั้งหมดมีหลายตัวนาคใหม่ก็ให้สังเกตนาคเก่าภาชนะกระมังอาหารเอาผ้าปิดไว้ก่อนเดี๋ยวขี้จิ่งจกมันขี้ลงมาเนี่ยใส่ฐานอร่อยขึ้นไปอีกนะผงชูรสลูกหลานเลยอาหารหนาคอย่าไปเปิดกระมังไว้ เรานะีทานในกระมังต้อปิดกละมังปีนี้พราเพราะเหตุว่านาคของเรามันมากกะมังฝนยังไม่ดีวะพราะว่าน่ามันเกี่ยงกันเล่นน้ําเลยฝนก็เลยไม่ดีปีนี้นากเรามากปีไหนถ้าเป็นนาคตัวเดียวเล่นน้ำนะ่ะนาคตาบอดอีต่างหากโอ้โห ปีนั้นฝนดีเขาว่านักตาบอดข้างเดียวเขาวางันจะให้หลวงพ่อเป็นเนนเขาพยากรว่าปีนี้นาคเล่นน้ํากี่ตัวเขาบอกว่านาักตาบอดข้างเดียวเล่นน้ําปีนี้โอ้ฝนหายห่วงเขาวันถ้านากหลายตัวเล่นน้ํามันเกี่ยงกันหน่อยไ ป, ไปไปปล่อยน้ําให้มนุษย์ไปตัวหนึ่งเออแต่ไ ป, ไ, ปไปปล่อยน้ําำมนุษย์ไปเอาไปมานาคหลายตัวแล้วมันเกี่ยงกัน ฝนเลยไม่ดีปีนี้คงจะนาคหลายตัวมากเนี่ยฮะ <c oughs> ควรจะทำความเข้าใจกับนาคอีก <c oughs> ทำไมเกี่ยงกันต่างตัวต่างเล่นผลจะได้ดีนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบหกกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด แล้วก็ให้อีกสิบห้าวันจากนี้ไปก็เป็นวันเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่อยู่ด้วยกันมองหาจุดบกพร่องในการจำพรรษาที่พุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกทางในครัวมีอะไรก็ให้เตรียมพร้อมมาไว้ ก็ยังหลายวันนี่หรอกแต่อย่าวไปจะให้อย่าไปชลาใจเพราะใกล้ๆแล้วยังมาเตรียมมันก็ทําให้สุกละหุกเผลอเผอทะเลาะกันได้อีกต่างหากว่าคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ช่วยแต่ก่อนทําไมไม่คิดทําไมไม่วางแผนนี่แหละสิ่งเหล่านี้เนะี่ยในฐานะที่หลวงพ่อหลวงตาของพวกสูรเจ้าทั้งหลายก็ต้องได้ตืนเตือนแต่บางครั้งก็ถึงกับําคาญนั่น แต่หลวงพ่อถ้าว่ามันถึงจุดนั้นมาน่ะฮะ้ามันยังขาดตัวปกพ่องกับแสดงว่าใครหลวงพ่อจะเรียกหาแล้วนะที่นี่ <c oughs> เรียกหาใครเป็นเพราะอะไรฮะมันขวางอย่างไงมันทำไมไม่เรื่อนเพราะอะไรเนี่ยหลวงพ่อจะสอบต่างนั้นนะที่นี่นะมันจะไม่พูดแบบธรรมดาธรรมดานะ ดันให้พวกเราทุกๆท่านการอยู่ด้วยกันต้องเตรียมถอยทีถอยอาศัยช่วยกันคิดอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อวัดวาสาสนาช่วยกันจัดการช่วยกันต้อนรับขับสู้ช่วยกันดูเวลาแขกทางไกลามาจะมาพักก็ดีจะมาเยี่ยมมาบวชนากก็ดีอันนั้นก็คือทายาทของพวกเราทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นทายาทถ้าเราไม่ต้องการตอนรับขับสู้ว่ามันจุงเยิ้งวุ่นวายหนีฮออกจากวัดหลวงพอ่อถ้าอยู่ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นยิ่งกว่านี้ไปอีกแสดงว่าเราไม่ต้องการตอนรับขับสู้หรือไม่ต้องการสู้กับคนหนีฮอยู่ทําไมถ้าอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นไม่เป็นอย่างนั้น พอหนีไปกันเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งพอกลับเข้ามากันเนี่ยนะแสดงว่าคุณธรรมในจิตใจไม่มีถ้ามีคุณธรรมในจิตใจแล้วมากเราก็รู้ว่ามากน้อยเราก็รู้ว่าน้อยเมื่อมันมากเราจะปรับปรงแก้ไขช่วยเหลืออย่างไงคือส่วนรวมคือพุทธศาสนาแตถ้ามันน้อยเราก็เล่งความภากเพียรดูจิตใจของเรา มันมากเราก็แบ่งเวลาของเราช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือวัดวาศาสนาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออย่างนั้นมันจึงจะถูกถ้าหากว่าทำมันมากหมูพกเพื่อนมามากหนังยิ้ยวคิวขโมดเวลาอยู่ตามลําพังคนมีน้อยกระโดดปิ่งกระโดดลดเต้นหาหมูหาเพื่อนะ มันไม่พอดีในใจใจไม่พอใจมันไม่พอดีมันเลยจัดไม่ถูกถ้าหาว่าใจของเราพอดีแล้วเราจะรู้เวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงเวลาน้ำลดเราทำยังไงเราต้องรู้แล้วก็วางแผนอีกตาหะเราจะกักกันน้าไว้ไว้ได้อย่างไงที่เราจะนำมาใช้ในเมื่อน้ำมันมันมากเราจะปล่อยไปยังไง อยาให้มันไหลไปทางไหนนี่แหละถ้าคนมีปัญญารู้จักวางแผนในการเป็นอยู่ราบรื่นทางนั้นนะแต่หลวงพ่อเองอยากจะย้อนกลับไปถึงที่หลวงพ่อพูดมาได้สามวันเกี่ยวกับครูบาอาจารย์การแก่เกี่ยวกับการอุปถรัรมภะถาคเพราะหลวงพ่อเนี่ยถึงยังไงก็ต้องแก่ไปข้างหน้าแนๆ่ๆไม่วันไม่มีวันที่จะถอยหลัง เดี๋ยวนี้อายุเจ็ดสบเอดข้ามาแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อเองคงจะไม่ห้าสิบเก้าหกสิบเก้าหกสิบแปดกลับคืนหลังไม่ไม่มีทางมีแต่เจ็ดิเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดบสามไปเรื่อยทั้งแปดสิบและคนแปดสิบเป็นยังไงพระแปดสิบเป็นยังไงหลวงพ่อมองไปแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นย้ำให้กับ คณะสิทธินุสิตของหลวงพ่อที่เข้ามาศึกษาถ้าผู้ใดก็ตามหวังดีเจตนาดีรักเคารพในองค์หลวงพ่อที่ได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยถึงจะได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันพยุงในเมื่อหลวงพ่อแก่เท่าชลาเพราะหลวงพ่อจะต้องช่วยตนเองไม่ได้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิด หรือแนวปฏิปทาที่หลวงพ่อบอกไว้ในเอ็มสามากต่อมากหลวงพ่อพาดําเนินอย่างไรหลวงพ่อพูดไว้อย่างไรหลวงพ่อเทศนาไว้อย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายที่ได้ฟังได้ศึกษาเออแนวเนี่ยหลวงพ่อของเราไม่เคยไม่เคยกระทําแต่บัดนี้หลวงพ่อของเราอายุมากแล้วแต่ท่านรู้สึกว่าท่านจะหลงลืงพวกเราควรจะ มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันออแล้วก็จับมือกันบรรดาศิษย์อย่าทะเลาะกันอยากไปเสนอหน้าอยากอยากอยากจะได้หน้ากับครูบาอาจารย์เมื่ออายุท่านแก่ท่านเท่าชลาออประจบสอพรอท่านนั่นหละออพระองค์นั่นหละจะไปสู่อวเวจีมหานรกแต่ท่านไม่เป็นไรนะเออพราะท่านสติของท่าน คล้ายๆว่าความจำของท่านมันเลือนลางแต่ผู้ที่เข้าไปนั่นแหละทำตัวอย่างนั้นแหละจะนรกหลุมไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นเสียงเหล่านี้นะหลวงพ่ออยากจะตั้มย้ำเตือนให้บรรดาที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเห็นมามากต่อมากอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อเคยเห็นสมัยก่อนในท่านตาหนิอย่างมากได้ยินข่าวองค์นั้น จับเงินจับทองท่านจะไม่ร่วมอุโบสถสังฆกรรมอีกต่างหากเป็นพระครูบาอาจารย์จับเงินจับทองได้ยังไง เ, เราก็ได้ยินเต็มหูเต็มใจแต่พอต่อมาท่านเป็นผู้จับเองเอจับเงินจับทองเองเราก็เห็นอีกต่างหากคนที่ใกล้ชิดกับผู้อีกต่างหากเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์ของเราทำไมไม่เป็นตะก่อนท่านดูถูกหรือว่าท่านตาหนิ แต่บัตรนี้ทำไมถึงท่านจึงทําเองได้ถามท่านไหมท่านบอกว่าเอ้ยภาษาอะไรเงินกระดาษมันไม่ใช่เงิน อ, อมันเป็นกระดาษเฉยๆหันพูดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถึงจะเป็นเงินกระดาษก็เถอะแต่พระเล็กเนนน้อย <c oughs> ที่อยู่ข้างบริวารของท่านนั่นแหละเไม่ได้ห้ามไม่ได้ปลาไม่ได้ทําความเข้าใจแต่ถึงท่านจะจับ บางทีบัดเผลือคูโยมาพวกคณะโยมมาถวยมมาทวยท่านถึงท่านจะจับแต่บรรดาพวกลูกศิษย์เออที่นั่งรองลงไปเนี่ยเ อ, อ้ยแนวนี้ไม่ใช่แนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์เราเนะแต่ก่อนนะท่านตำหนินะแต่บัด น, นี้ท่านอาจจะหลงลืมเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าอย่า ย, ยึดแนวแถวปฏิปทาโค้งสุดท้ายที่ท่านอายุมากแล้วอย่าอย่าทํานะอย่า อย่าจะยึดแนวแถวนี้นะอันนี้มันผิดพระธรรมวินยัยพวกเราเข้าใจนะในพี่น้องทั้งหลายนะเิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายดูถึงท่านจะห้ามท่านไม่ได้ทาเป็นไปได้ห้ามขอร้องท่านห้ามท่านอนั่นแหละดีที่สุดแต่เมื่อขอร้องห้ามท่านไม่อยู่ไม่ได้เราก็ต้องห้ามพวกเราเองอย่านะครูบาอาจารย์ท่านระ ด, ดับนี้แล้ว เออมือของท่านไม่มีแผลนะถึงจะจับยังไงขนาดนี้นะเออสารพิษหรือว่ายาพิษเนะี่ยไม่สามารถที่จะซึมซับเข้าไปในฝ่ามือท่านได้อ่เอพราะมันเป็นกล่องเล็กน้อยอ่อบัตอย่างนี้แต่ถึงยังไงพวกเราในฐานะ ล, ลูกหลานาหัวใจของเราเป็นแผลมือของเราเป็นแผล ยาพิษทั้งหลายพร้อมที่จะซึมซับเข้าไปในเมื่อเราจ็บจับเงินจับทองจะนันก็บแบ่งพักแบ่งพวกทะเลาะกันอะไรทมาค้าขายซื้อขายเรื่องเงินเรื่องทองนั่นหละพวกท่านทั้งหลายจะไปนรกหลุมไหนไม่ทราบลเลยทำเนี่ยลึกไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะก็ให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดนะเตือนให้คิดและถ้าเกินการก่อสร้างกดี ต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีการก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นอานรรพ์พวกท่านทัหลายก็ต้องประชุมกันรวมการประชุมกันถ้าไม่เป็นไปได้ไม่ควรจะให้พระเนรเข้าไปยุ่งในการก่อสร้างอันนี้เป็นปฏิปทาขององค์หลวงตาหลวงตาในท่านจะไม่ให้พระเนรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการก่อสร้างถ้าเป็นไปได้ท่านงานใหญ่ท่านก็ให้ชาวบ้านมาทําพระก็ไปดูไปเป็นผู้ควบคุมดู อไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้พระเนรทําเข้าไปเสียพระเสียเนนเสียขนุกทําเนยมประเพณีเหมือนฆราวาสทําทอะไรพระทำหมดอย่างนั้นได้ไหมเสียหายท่านบอกวันได้เต่าเสียหมาเมื่อสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละกระดูกของพระของเนนที่สร้างนั้นเข้าไปอยู่ใน ฐานเจดีฐานโบสถฐานวิหารหมดเพราะเหตไรเพราะตายจากคุณธรรมตายจากคุณงามความดีตายจากมรรคผลนิพพานไปตายกระดูกอยู่ในนั้นไม่ใช่ตายจริงๆนะตายจากคุณธรรมหมดในกวนการเป็นพระสิ่งไหนที่ฆราวาสเขาทำํำพระธรรมแล้วคุณธรรมจะยืนจะจึงยัง่งยืนได้อย่างไรพูดนี้เพราะเหตุนั้น สิงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะผู้อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นแนหะจึงจะรู้ไม่ต้องพูดอะไรมากผู้อยู่ใกล้นั่นแนหะจะมองเห็นได้ผู้อยู่ไกลก็นั่นแนหะมองไม่เห็นแต่ผู้อยู่ใกล้นะมองเห็นอันไหนเป็นอันไหนถูกต้องไหมแนวแถวปฏิปทาอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาพาดําเนินไหมถ้าพวกเราดําเนินอ่ะถูกไหมถูกต้องไหมต่อไปภายภาคหน้าธรรมอย่างนี้นะ เป็นหนทางแห่งความเจริญของตระ ก, กูลกรรมธฐานสายลงปู่ลงตาของเราใช่ไหมสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราอยู่ใกล้ชิดไม่ว่าครวาญญาติโยมไม่ว่าพระน้อยพระหนุ่มยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้นะ่ะอันนี้หลวงพ่ออยากจะฝากไว้กับพวกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะให้ดูให้แลซึ่งกันละกัน ไม่ใช่ว่าชักชวนกันนะทึงไหนที่มันไม่ดีก็ทําออกนอกลูกนอกทางตามใจที่ ต, ตนเองชอบนะเออแล้วก็ชวนกันพอสร้างใจดีเสร็จแล้วนนะ่ะไปนรกหลุมไหนที่พวกเราท่านทั้งหลาย ม, มันมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปสวรรค์อย่างเดียวนะอถึงจะมาบวชในพุทธศาสนาก็เถอะบวดหัวล้นผ้าเหลืองกเอ็เถอะพระตกนรกไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะเหตุไเพราะความคิดผิด มิจฉาทิฏฐิเห็นไหมกปิกปิระพิกุในพระพุทธศาสนาตกนรกอเวจียังไม่ขึ้นกระทั่งทุกวันตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้พวกเราเยึดมาศึกษานั่นแหละอย่าไปคุ้นเชื่องกับความโช่อย่าไปคุ้นเชื่องกับสิ่งที่มันไม่ดี แนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินอย่างไรให้พวกเราศึกษานะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดบางทีท่านก็หลงหลงลืมลืมหลงหล ง, ล, งลืมลืมเนาะมันเป็นเรื่องของธาตุขันร่างกายครูบาอาจารย์เมื่ออายุแก่หลวงพ่อก็เคยยกให้ฟังอย่างท่านอาชิชีเนี่ยที่ท่านเป็นอาจารย์ของท่านภาษาริบุตรท่าน ให้ธรรมกับภาษาลิบุตรจนได้สําเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันของพระท่านภาษาลิบุตรคือได้รับทำคําสอนจากท่านอัจฉ ช, ชิคือเป็นปัญจวคีตั้งห้าองค์สุดท้ายโกนธัญญาวัปปะมาหานามาอัจฉชินะเน่ยแต่พอต่อมาท่านอายุมากขึ้นสิทธิ์ยาวสิธิ์ของท่านก็มากแต่ท่านก็หลงหลงเรื่มเืม เออทีนี้คณะสิทธ์ทั้งหลายก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะอาจารย์ของเราเนี่ยทั้งที่เป็นพระรหัสมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาเก็คงจะแน่วแน่มั่นคงแต่ทําไมอาจารย์ของเราหลงหลกลืม ล, มลืมอย่างนี้ว่ะเป็นพระรหัจริงหรือเปล่านะพระลูกศิษย์ปุถุชนทั้งหลายเขาก็ต้องคิดท่นะงเี่ยท่านก็รู้ว่าท่านหลงลืมลูกศิษย์บางคนก็คงจะเข้าใจายอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเออ ให้พวกท่านทั้งหลายไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยสิว่าเรานี่ยมันหลงหลงลืมลืมอย่างนี้แหละฮะให้พวกท่านทั้งหลายไปกราบทูลพระพุทธเจา้าว่าทําไมเราจึงหลงหลืม Paige ทั้งที่เราก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นเกิดเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าครับพระอาจารย์ของข้าพระองค์ให้พวกข้าพระองค์มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไม เเราได้สำเร็จมัก่กสําเร็จผลแล้วทําไมหลงหลงลืมลืมทำไ ม, ม, ม, ำไ ม, ไมสติไม่มั่นคงมหาสติมหาปัญญาที่มั่นคงอันนีส้สติปัญญาทัวสัญญาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ของเราเนี่ยลืมหลงทําไมอพระสงฆ์ทางไหนกลับทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าให้ให้กลับไปถามอาจารย์ของเธอนะไปถามท่านอาจารชีดูที่ว่า อริยสัจ ท, ที่ท่านได้บรรลุอันนี้จะอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักที่ท่านได้สาเร็จทือท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นท่านหลงลืมไหมถ้าว่าหลงลืมอย่างอื่นอันนั้นปีกย่อยไม่มีปัญหาสัญญาอนิจจาไม่ใช่ว่าเป็นพระหรหันและ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ลลม่ไม่ใช่ไม่หลงลืมไม่ใช่พระหรหันสังขาราอนิจจาสังขารของพระหรหัน เป็นของมั่นคงไม่แก่ไม่เท่าไม่ใช่สัญญาในจา่าความจําได้ของพระรหันจะมัน่นคงยิ่งกว่าของพุทุชนไม่ใช่สังขารความปรุงแต่งทั้งหลายของพระรหันก็มีแต่ตัวที่ท่านรู้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมักที่ท่านได้สาเร็จจุดนั้นท่านหลงหรือไหมจุดนั้นแหละสําคัญไปไปทาง พอไปถามพระอาจารย์อาจารย์โออันนั้นยิ่งกว่าภูเขาทั้งแท่งในหัวใจของเราเราไม่มีวันลืมอริยสั์ที่เราได้ตัดกิเลสในจุดนั้นอะนี่แหละอันนี้ก็คืออืองค์หลวงตาของเราก็เหมือนกันที่ท่านได้สําเร็จมรรคผลที่วัดดอยธรรมเจดีจุดนั้นท่านไม่ลืมท่านพูดขึ้นมาเทาอะไรคึกคักทุกทีเพให้หะอะไรเพราะท่านอในนาทีนั้น เวลานั้นวันนั้นวัน น, า, นาทีนั้นเราจะ น, น็อกกิเลสเาตายต่อหน้าต่อตาเราเลยลงกับพื้นดินะกิเลสไม่มีโอกาสที่จะมาสู้กับเราได้ในวันนั้นนาทีนั้นเหมือนกับ น, นักมวยเอกเอกตัวเอกมาเจอกันกิเลสกับธรรมแต่ก่อนมีแต่แพ้กิเลสมาตลอดแต่บัดนี้ท่านเป็นนักมวยเอกน็อกกิเลสลง ต่อหน้าต่อ ต, อตาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยเกิเลสลงตายจนไม่มีโอกาสที่จะคืนพื้นคืนสู้กับเรานาทีนั้นน่ะท่านจำไม่ลืมนี่แหละคือทำรมคือจำไม่ลืมคือจุดนั้นนะเพราะนั้นเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลงลืมเราอย่าไป เ, เราจะไปคิดอย่างอื่นให้ฟังตามตำรับําราเอาไว้และจากนั้นก็เราก็เข้าประคอง ดูแลช่วยเหลือท่านกาเปลียนท่านถ้าท่านเผลออย่างไงลืมอย่างไงหลงอย่างไงเราที่เป็นศิษย์ญาติศิษย์ทั้งหลายควรจะเข้าไปทำความเข้าใจขอร้องท่านผู้ที่ไม่มากผู้ที่ไม่รู้จักมักคุณอย่าเข้ามาใกล้กันไว้ก่อนเพราะในขณะนี้ครูบาอาจารย์ของเราเอาจจะพลังเผลอพูดออกไปในเมื่อพลังเผลอพูดออกไปคนที่ไม่รู้เรื่องธรรมะ กับเอาไปคําที่ท่านพูดออกไปนั้นเอาไปขยายผลเสียหายาต่อบรรดาศิทธิอนุสิทธิทั้งหลายของพวกเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหะคือการประคองหรือว่าการเข้าไปเข้าไปใกล้ครูบ า, าอาจารย์ปกป้องรักษ า, าในเมื่อท่านถึ ง, ถงจุดนั้น น, นี่แหละคือสิทธิเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกกลุ่มที่มีครูบาอาจารย์ น้องหนุ่งทางหลายตลอดถึงลูกศิษย์คกลูกหาของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดนะเพราะหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วหลวงพ่อเคยเป็นพระน้อยมาจนถึงอายุถึงเจ็ดิบอดปีถึงขนาดนี้แหละหลวงพ่อมองดูเห็นแล้วก็ประมวลออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นแนวทางออกมาสำหรับให้พวกคณะน้องน้องลูกรุกรังหลานได้เรียนได้ศึกษาได้ฟัง แลจากนั้นก็จะนาไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงออการเป็นอยู่ของพวกเรากลุ่มของเราที่เป็นนักพรตนักบวชที่เป็นปวงสาคานาญาตที่เป็นตระกูลระบบเป็นพุทธาของเราเป็นวงกรรมฐานตเออัเป็นวงวงกรรมฐานตระกูลของพระกรรมฐานของพวกเราให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะศึกษาเอาไวออ้แต่ถ้าว่าจุดไหนอย่างไร ถ้าหเขาแบบยังมีความสงสัยหลวงพ่อก็พร้อมที่จะตอบความความสงสัยเหมือนกันนะกับทุกๆหมูเ่เหล่าแต่ทั้งนี้ทางนั้นเราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใ ค, ใครผู้หนึ่งทั้งนั้นเราพูดโดยเป็นธรรมพูดโดยเป็นธรรมที่เราได้รู้ได้ศึกษามาอย่างไรเรียนรู้มาอย่างไรเราก็ได้บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะ นี่แหละอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาหรือว่าแนวทางสําหรับพวกเราที่เป็นพระกรรมฐานที่ศึกษามาในสายนี้ไม่ใช่สายปริยัติธรรมสายกรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นต่อไปภายภาคหนะ้าอาจจะมีคนดูถูกเหยียดยามได้ว่าทำไมท่านภาวนามาถึงขนาดนี้ท่านทําไมจึงหลงลืมทําพูดอย่างนี้ได้ยังไงทาอย่างนี้ได้ยังไง สิ่งเหล่านั้นสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจังโดยมากมันเป็นอนัตตาทั้งหมดมันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทั้งหมดเพราะนั้นของพระทหารก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนิจจังไม่ใช่สังขารานิจจาสัญญาอนิจจาไม่ใช่เป็นอนิจจาเหมือนกันของไม่เที่ยงเหมือนกันกับผู้ทุชนพระทหารตายเหมือนกัน พวกพุทธชนโลกทั้งหลายตายเหมือนกันแต่ร่างกายตายเหมือนกันทั้งหมดแต่จิตใจของพระหานั้นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจุดนั้นนั่นเหนือกว่าเหนือกว่าพุทุชนเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกคือพระหรันะคือผู้ชําระกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ในเปะกระเปาะไข่ ที่ท่านกระเทาะปอกไข่แตกออกไปแล้วเป็นตัวไก่นั่นแหละคือเป็นอิสระของท่านแล้วแต่พวกเรายัางอยู่ในกระปาะไข่อยู่คืออยู่ในวงวงวนเวียนของกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอยู่อันนี้คือปุถุชนผู้เวียนว่ายตายเกิดแต่พระอราหันต์กับผือเป็นผู้ออกนอกเส้นทางไปแล้ว เป็นผู้บริสุทธ์ตดพ้นไปแล้วนั่นแหละอันนั้นนอกเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเรื่องธาตุขันร่างกายของท่านมันยังเป็นวิบากของกิเลสในอดีตชาติที่ได้มาเกิดพระหันพระพุทธเจ้าก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันกับปุถุชนแต่ความแปลกแตกต่างของจากปุถุชนขนทั้งนนรกก็คือ ใจิตใจของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจมาในอันดับหนึ่งนะว่ามโนปุพังคำมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจนั่นแหละเป็นพระหันไม่ใช่กายนะกายก็คือเป็นผลพลิตได้จากใจท่านเองในเมื่อเราเได้เป็นด็อกเตอร์ น, ะนายนั้นนามสกุลนี้ได้เป็นดอกเตอร์นะ บ้านก็ได้เกิเป็นบ้านดอกเตอร์รถก็เป็นรถด็อกเตอร์ที่ดินก็ไปดินด็อกเตอร์สามีภรรยาลูกหลานก็เป็นลูกหลานของดออ็ อ, Serbia, อดกเตอร์เพราะอะไรเพราะดอกเตอร์คนนั้นเรียนหนังสือจนได้เป็นด็อกเตอร์อันนี้ก็เหมือนกันใจของท่านได้เป็นพระพุธทธใจเจ้าร่างกายก็ได้เป็นพระพุธทธใจเจ้าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างลูกศิษย์ลูกรรหาก็ได้เป็นลูกศิษย์ของพุทธะด้วยเพราะอะไรเพราะใจดวงนั้นได้สําเร็จใจดวงนั้นได้ตัดสรู้ เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นท่านถึงถี่หัวใจเป็นใหญ่ใจเป็นเรื่องสําคัญมากนะคณะตถาญาติโยมลูกหลานคือหัวหน้าเนี่ยสำคัญนะเอหัวหน้าคือใจใจคือหัวหน้าถ้าเปรียบเทียบถึงหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสำคัญถ้าหัวหน้าเดินผิดแค่อย่างเดียวนะลูกน้องบริวารผิดระเนรนาดไปด้วยอถ้าผิดมากขนาดนั้นเข้าคุกกันเป็นแถบๆนะอทําผิดมันผิดกฎหมายหัวหน้าพาผิดกฎหมาย ถาว่าพาโถดเขามีแต่ความเจริญถ้าวัดหัวหน้าทําผิดเหมือนกันพระที่เป็นหัวหน้าพาลูกน้องผิดเขาเป็นลงนรกหลุมไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะดูให้หยุดดูอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในหลักธรรมวินยัยนั่นแหละตลอดปลอดภยัยถึงจะทุกจะจนถึงจะทุกจะจนขนาดไหนไม่มีอันจะอยู่จะกินก็ตาม ให้อยู่ในหลักพระธรรมพิ่ไหนยึดมั่นในหลักพระธรรมพินัยนยึดมั่นในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยเป็นผู้มีฮิลิโอตตะปะอย่าเป็นพร ะ, พระอารัชีพระไม่มีฮิลิไม่มีโอตตะปะไม่มีอ ย, ย่างอายเอถึงจะใครจะเข้าไปสนับสนุนก็นเถอะเข้าไปสนับสนุ น, นในกลุ่มนั้นแหะจะต้องลงอเวจีมหานรกพร้อมกันเหมือนกับพระกัปปิละพิกุลนะแม่ก็ลงนรก น้องสาวก็ลงนรกบริวารก็าลงนรกเหมือนกันไม่ในนรกมันไม่เต็มง่ายนะนรกในหลุมใหญ่นะเต็มไม่เต็มสวรรค์ก็ไม่เต็มนรกก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นพวกเราเลือกเอาเลยได้นะเลือกเอาได้นะจะเอาอันไหนจะไปทางดีได้จะไปทางชั่วถ้าไปทางชั่วก็นรกไม่เต็มนะจะไปทางสวรรค์สวรรค์ก็ไม่เต็มแต่ให้พวกเราเลือกเอาแต่จะไปเลือกเอาทางชั่วเถะนะมันทุกข์นะตกนรกนะ ไปสวรรค์ดีกว่านะหลวงพ่อว่านะไปสวรรค์ น, นิพพานนา่นดีกว่าต่อนนี้ไปรับพรวันนี้ให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายผู้เข้ามาศึกษานะ